ทำความเข้าใจกันเบื้องต้น <c oughs> นะแล้วหลังจากนั้นก็จะได้แยกประเด็นออกไปเบื้องต้นนี้ต้องขอทําความเข้าใจก่อนว่าวิธีการที่เราปฏิบัติอยู่นี้เป็นหลักของวิปัสสนาโดยตรงนะแต่ก็มีสมถะอยู่ในนั้นด้วยนะเราทําทั้งสมถนะและวิปัสสนา ไป พ, พร้อมๆกันไม่ได้แยกกันเพราะว่าสมถะนั้นเป็นการทำจิตให้สงบให้นิ่งวิปัสนาในทำจิตให้สว่างให้สะอาดมีสองหลัก นี่ถ้าหากว่าเราแยกกันว่าทำจิตให้นิ่งอย่างเดียวก็พอแล้วแต่ว่ามันไม่สะอาดไม่สว่างไม่สงบก็ไม่มีประโยชน์เหมือนน้ำนี่ น, นิ่งแต่น้ํานิ่งก็ยังขุนอยู่ยังมีกลิ่นมีสีมีรสอยู่ก็ถึงน้ํานั้นจะนิ่งก็ไม่มีประโยชน์แต่น้ํานั้นนิ่งด้วย ใส่ด้วยสะอาดด้วยก็จะเป็นประโยชน์จิตของเราก็เหมือนกันนั้นเบื้องต้นนี่ยเราต้องเข้าใจว่ากายใจของเราเนี่ยชีวิตของเรามีแค่สองอย่างเราเรียกว่าชีวิตมีกายกับใจเบื้องต้นเนี่ยถ้ารู้ว่าเรามีกายอะไรเป็นตัวบอกเราก็ต้องรู้เรารู้ว่าเรามีใจอะไรเป็นตัวบอกเรา เป็นความรู้เป็นตัวบอกด้วยความคิดเป็นตัวบอกนะที่เรานั่งอยู่เนี่ยนะตัวเราที่เรานั่งอยู่นี้ก า, การที่เรานั่งอยู่เนี่ยเราเป็นใครนะให้รู้จักให้รู้จักความหมายในเบื้องต้นอันนั้นที่เราขนขวายศึกษาเรื่องนี้ก็เพราะว่าเราเห็นชีวิตว่า มันยังมีความทุกข์ความไม่สบายความขัดข้องความลังเลสงสัยความรักความชังความเบื่อความเสิงความไม่แน่นอนอะไรต่างมันลุกลามเข้ามาในใจเราทุกวันแต่เราก็ไม่สามารถจะหยุดมันได้ในบางครั้งนะบางครังก็หยุดมันได้เดี๋ยวก็เกิดใหม่อีกอย่างนี้เรื่อยไปแต่เมื่อเราไม่ได้มาศึกษาคําสอนพระพุทธเจ้าว่าสิ่งเหล่าเนี้ยสามารถ หยุดได้เย็นได้ดับได้ด้วยวิปัสนาเราก็เลยสนใจที่จะศึกษาเรื่องของวิปัสนาทีนี้บางคนทําไปแล้วมันยังยังหยุดไม่ได้ยังดับไม่ได้ยังเย็นไม่ได้ก็ยังสงสัยว่าเอ็นเป็นไปได้จริงหรือเปล่าบางครั้งบางคราวมันก็มีอยู่นะอันนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราจะต้องทําความเข้าใจเป็นเบื้องแรกนะ เพราะว่าคนนั้นจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนเชื่อไหนชาติไหนก็ต่างไม่เลือกเพราะว่ามีกายกับใจเหมือนกันแม้จะต่างภาษ า, าต่างเพศต่างาวัยต่างเผ่าต่างพันแต่ความรู้สึกอันเดียวกันเหมือนความร้อนของคนชาติหนึ่งกับคนอีกชาติหนึ่งก็ร้อนเหมือนกันแช่ภาษาต่างกันของคนเพศหนึ่งกับเพศหญิงก็ร้อนเหมือนกันเพศชายก็ร้อนเหมือนกันเ ย, นยน็นก็เย็นเหมือนกัน ภาษาของกายของใจนี่เขาบอกตรงๆนะแต่นี้การตอบสนองต่อสิ่งที่มากระทบเนี่ยต่อความรู้สึกเนี่ยเราจะตอบสนองอย่างไรที่มันมีปัญหาตอบสนองอย่างไรที่ไม่มีปัญหาเช่นเรานั่งแล้วรู้สึกอบอ้าวรู้สึกไม่สบายนะอันนี้สิ่งที่มากระทบแล้วที่การตอบสนองความคิดต่อการกระทบเนี่ย อ่าสิ่งที่เป็นทำให้เราไม่สบายกายเมื่อมากระทบกายความหนาวจัดร้อนจัดเย็นจัดปวดจัดเมื่อยจัดมากระทบละมากระทบในชนกายนี่ถ้าเราไม่รู้จักเอาใจเราก็ไปตอบสนองต่อมันโดยการจะหาวิธีบำบัดหาวิธีระบายเราก็จะนึกหาวิธีขึ้นมา ไอ้ตัวนึกหาวิธีขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดความไม่สบายใจแล้วเพราะสิ่งที่เราจะบำบัดตอบสนองต่อการบำบัดนั้นมันไม่มีที่นี่ไม่หาไม่ได้ที่นี่เราร้อนถ้าเป็นที่บ้านเราการตรอบสนองเราก็จะเดินไปหาห้องน้ำเดินไปหาพัดลมเดินไปหาห้องแอร์เดินไปหาแก้วน้ำแข็งก็ตอบสนองได้ แ, à. แต่มาที่นี่มันไม่มีอะไรสักอย่างที่เราคิดมันก็เกิดความไม่สบายใจ หรือบางทีก็มีโรคประจำตัวที่เรา อ, อยู่อย่างไรมันก็ยังปวดอยู่อย่างไรมันก็ยังเจ็บอยู่อย่างไรมันก็ยังอึดอัดเนี่ยนะซึ่งบางคนไม่เป็นแต่บางคนเป็นอย่างนีมันก็ยิ่งมีความไม่สบายบวกเข้าไปทั้งกายทั้งใจและสิ่งเหล่านี้ก็เราก็ไปสบกับมันทุกมีทุกวันยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งประสบมากขึ้น ยิ่งคนทำงานมากขึ้นก็ยิ่งประสบต่อทุกเวทนาเหล่านี้มากขึ้นทีนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้ทุกทางกายเนี่ยเราที่ต้องทำมาหาหกินจากแดดจากฝนจะต้องทนทุกต่อเวทนาต่างๆทีนี้จะทำยังไงให้ทุกเวทนาเหล่านี้มันอยู่ในฝ่ายกายโดยที่มาให้มันทะลุถึงจิตเนี่ยอันนี้เราก็แสาะหาวิธีการหรือบางทีเรารู้สึกอารมณ์นี้มากระทบทางจิตความอึดอัดขัดเคืองขัดแย้ง ความอุดหิตโมโหจนทำให้ร่างกายนี้อ ร, ร้อนเหงื่อการไหลอย่างเงี้ยเราก็เป็นทุกเวทนาที่แทงออกมาจากข้างในทะลุข้างนอกแต่เวทนาที่มันแทงจากข้างนอกกับทะลุข้างในมันก็เลยทุกทั้งสองเท่าสามเท่าเราก็รู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่มีคุณค่าอะไรที่จะต้องมาทนทุกข์กับสิ่งเหล่านี้เมื่อมาพบกับวิธี การหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกวิธีเอาไว้ว่าทุกต้องดับอย่างนี้ทุกนี้ต้องกายต้องแก้อย่างนี้ทุกจิตต้องแก้อย่างนี้เราก็เริ่มสนใจมาสแสวงหาคำสอนโดยได้พบกับกัลยาณมิตรครูบาอาจารย์ต่างๆที่นำเสนอหลักการทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติเราก็สนใจศึกษาทดลองปฏิบัติ ด, ดูก็ได้ผลมากบ้างน้อยบ้างได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างสลับกันไป ยิ่งปัจจุบันนี้การเผยแพร่ข้อมูลในการเสนอทางออกของความทุกข์ทางการทั้งใจยิ่งแพร่ขยายหลายวิธีการทางสื่อเราก็ยิ่งได้ข้อมูลมากขึ้นนะยิงโยมมาถึงที่นี่แล้วหมายความว่าแต่ละคนมีข้อมูลมาค่อนข้างมากพอสมควรและข้อมูลเหล่านี้มันก็เหมือนวัตถุดิบที่เราเก็บรวบรวมมาจากคนนั้นบ้างคนนี้บ้างตรงยนนี้ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับโยมที่เคยปฏิบัติมาก่อน ถามว่าศึกษาจากอาจารย์มาหลายองค์องค์นั้นบางองนี้บางแต่ละคนก็สอนอย่างนั้นสอนอย่างนี้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเหมือนกับว่าเราได้รับวัตถุดิบจากอาจารย์ท่านเหล่านั้นเส ม, มือนเราสร้างบ้านสักหลังหนึ่งก่อนที่เราจะลงมือสร้างเนสมัยก่อนเราไม่ได้ต้องใช้เงินเราก็ามีการเตรียมวัตถุต่างๆให้พร้อมเตรียมเสาเตรียมไม้เตรียมสถานที่เตรียมพื้นกระดานเตรียม ประตูหน้าต่างหลังคาหามาจากที่ต่างๆมารวมไว้คิดว่าวันหนึ่งถ้ามันครบมันพร้อมแล้วก็ลงมื อ, อลงมือสร้างแล้วก็ได้บ้านเป็นหลังขึ้นมาชั้นใดก็ดีการที่เราสแสวงหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการที่จะมาดับทุกข์ดับร้อนมาสร้างที่พึ่งให้กับใจเนี่ยเราก็เริ่มรวบรว ม, ร ม, รมหาวัตถุ วัตถุเหล่านั้นก็คือเป็นคำสอนอเพราะว่าที่พึ่งนี้ไม่ใช่ที่พึ่งทางกายเป็นที่พึ่งทางจิตที่เป็นนามธรรมมันไม่ใช่เป็นวัตถุเป็นไม้แบบที่พึ่งทางกายแต่ว่ามันเป็นสติเป็นปัญญาเป็นคติเป็นคำสอนที่จะมาฝึกจิตของเราดัง น, น, นั้นเราก็รวบรวมคาสอนเหล่านี้จากแหล่งต่างๆจากครูบาอาจารย์จากซีดีห น, CD, นังสือเว็บไซต์หนังสือ ธรรมะอะไรมาจากรวบรวมมาเต็มใจเราหมดเลยที่นี่เราจะเอามาลงมือทํำละ่ะที่นี่มาที่นี่นะเราจะนําเอาวัตถุดิบที่เราลงมาสร้างให้เป็นที่พื้นฐางจิตเหมือนกับเราจะนําไม้นําสิ่งเหล่านั้นสั่งสมมาเพียงพอแล้วมาสร้างบ้านเป็นหลังนะเราจะเริ่มอย่างไรนี่ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีประสบการณ์ในการสร้างบ้านมาก่อนก็เป็นเรื่องยาก ในการที่จะลงมือทำเองแล้วก็ต้องหาช่างนะจ้างช่างมาหาคนที่มีความรู้มีประสบการณ์มาทำให้ดูเราก็เป็นผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านก็หาวัตถุดิบให้เขาช่วยเข้าไปเรื่อยๆบางคนเป็นช่างเซเองก็ทำไปเรื่อยๆชันะ้นใดก็ดีการที่เราได้รวบรวมความรู้ประสบการณ์เหล่านั้นมาในะชีวิตถึงแม้ว่าเราจะมี ความรู้มีความสามารถมีความเข้าใจหลายอย่างแต่เราก็ยังมีความทุกข์มีปัญหาอยู่เพราะอะไรเพราะความรู้อย่างนั้นยังไม่ได้ถูกนํามาประกอบสร้างกันขึ้นเป็นที่พึ่งเหมือนเรามีวัตถุดิบการสร้างบ้านทุกอย่างแต่ฝนตกมาแล้วก็เปียกแดดออกมาก็ยังร้อนอยู่เพราะวัตถุดิบเหล่านั้นที่หามาได้ยังกองก็กอยู่กเด็นเถื่นทึกยังไม่ได้มาสร้างเป็นหลังคาสร้างเป็นเรือนยังขาดประสบการณ์ขาดช่าง ทางด้านจิตใจก็เชื่อกันเมื่อเรามีความรู้สั่งสมมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนถึงปัจจุบันเนี่ยเต็มไปหมดที่นี้เราจะมาสร้างเป็นหลักการที่จะเป็นที่พื้นทางจิตตัวไหนจะเป็นศีลตัวไหนจะเป็นสมาธิตัวไหนจะเป็นปัญญาเอามาสร้างลองดูแล้วก็มาลงมือทำนะตามหลักเนียนึกออกไหมว่าเวลาเราสร้างบ้านเราเริ่มต้นจากอะไรก่อ น, นการมีที่ดินก่อนใช่ไหม อันที่สองคุณเลิศเคยสร้างบ้านด้วยตัวเองไหม น, น่เคยนะซื้อบ้านเป็นหลังนะบลอนบ้านเป็นหลังเตรียมพื้นที่นั่นหมายความเรามีพื้นที่แล้วพื้นที่คือรูปกับนา ม, มกายกับใจนี่มีพื้นที่แล้วตอนนี้พ่อแม่สร้างมาให้เรเสร็จนี่คือเราได้สมบัติเป็นทายาทจากพวกจากแม่ของเร า, า, าเราเป็นกรรมทายาทได้พื้นที่แห่งกายแห่งใจมาแล้ว ทีนี้เราจะเปิดพื้นที่ที่สร้างบ้านแล้วก็จะต้องหาขุดหลุมลงลึกวางรากฐานรากฐานที่ได้สร้างเนี่ยเราก็อะไรเป็นรากฐานที่จะขุดลึกลงไปสมาธิศีล ส, สมาธิเป็นรากฐานศีล ส, สมาธิเป็นรากฐานขุดลงไปมีเท่านั้นข้อเท่านี้นันเราก็พยายามฝึก ศีลนี้ไม่ใช่ศีลหสศีล8ปดศีลสองหรีบ็นนะแต่เป็นศีลที่เราฝึกความเป็นคนมีรู้จักระเบียบแบบแผนขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นหมวดของศีลทั้งนั้นเราเคยฝึกฝนสิ่งเหล่านี้มาในระเบียแบแต่แผนในสำนักการศึกษาสำนักปฏิบัติธรรมในครอบครัว <c oughs> กฎหมายอะไรต่างๆนี้นเป็นศีลสังคมที่เราก็ต่างปฏิบัติกันมาแล้วทั้งนั้น เราถึงมีความปลอดภัยได้ระดับหนึ่งแล้วก็มาที่นี่เราก็มาฝึกสมาธิฝึกสัมปชัญญะฝึกปัญญานะก็คือจะต้องตั้งเสาละทีเนี่ยนะลงรากปักฐานขุดหลุมแล้วตั้งเสาในที่นี้เราใช้เสาหลักแห่งสถิประฐานมีสี่เสาหลักใหญนะ่วกเข้ามาในเรื่องนี้ทีเดียวว่า เราจะลงหลักปักฐานเนี่ยในตัวเราเนี่ท่านบอกว่าการที่จะสร้างบ้านหลังนี้ใช้ปักเสาหลักสี่เสานะคือเสากายเสาเวทนาเสาจิตและเสาธรมรมารุนะทั้งสี่เสาเราปักลงไปตามหลักภาษาก็เลย ก, กายานุปัสนาสติปฐานเวทนาสุปัสนาสติปฐานจิตานุปัสนาสติปฐานธรร ม, มานุปัสนาสติปฐานเป็นเสาหลักนะเมื่อ เรามาตั้งต้นด้วยการเสาทางกายเนี่ยที่นี้จะมีกี่เสาทางกายมีกี่เสาท่านกําหนดไว้หกเสาเฉพาะเรื่องกายเนี่ยเสาไหนบ้างที่จะเอาไปที่พึ่งได้เวทนาในส่วนทางกายนี้กายยาในส่วนที่กายที่จะทําให้เป็นเสาขึ้นมาทางกายหนึ่งคําว่าเสาหลักคือหมายความว่าเอาเป็นที่ผูกพัน เป็นผูกพันของจิตจิตของเราที่มันเละด่อนเปนคิดไปเรื่องต่างๆนานา น, านี่มันไม่มีที่จะตั้งหลักปักลงในปัจจุบันได้เพราะฉะนั้นเสาหลักอันแรกที่สุดท่านกําหนดอารมณ์หายใจเรียกว่าอาณาปณาะาสติเสาที่หนึ่งในเรื่องของกายนะบอกว่าให้จิตเนี่ยเรามาผูกพันอยู่แต่เนี่ยหายใจเข้าหายใจออกทีนี้เทคนิคของการหายใจก็มีเยอะแยะมีหลายรูปแบบหายใจแบบพุโทโธสมาลหังยุบหนอผองเนอ นับหนึ่งสองสามบริกรรมมีเยอะแล้วแต่ใครจะบัญญัติขึ้นมาแล้วประสบผลสําเร็จนะนี่เสาที่หนึ่งเรียกว่าอานาปนสติเสาที่สองเรียกว่าอิริบทสี่ยืนเดินนั่งนอนของเราเนี่เราเคยละลึกที่จะถ้าเราไม่เคยละลึกมันนะเรามีอยู่เราอยู่กับมันโดยที่ไม่รู้ไม่ได้เอาใจมาปูกั น, เ, นเราไม่เรียกว่าเสาเรียกว่าต้นไม้ที่มันล้อยู่ระนีระหนัก แต่เมื่อใดเรารู้ว่าเรามีลมหายใจเอาจิตมาผูกไว้ตรงลมหายใจเขาออเริ่มตั้งเสาละเรารู้ว่ามีการยืนเดินนั่งนอนเราเอาจิตของเรามาผูกกับการยืนกับเดินกับนั่งกับนอนอิธิบทก็จะเริ่มเป็นเสาขึ้นมาและในการยืนเดินนั่งนอนนี้ก็มีตัวเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆต่างๆประกอบอยู่ <S <S นะก็ะคืออิริบทย่อยเสาที่สามเรียกว่าอิริบย่อยเรียกว่าสัมปชัญญะ คืออิบุย่อยภาพ้าปากหายใจใหรือ้ายไหลหัวก้มเงยหยิบหยับจับชวยอ่ะก้าวไปถอยกลับพวกนี้เป็นเสาที่สามคือเรียกว่าสัมปชัญญะคือยอิบุย่อยถ้าเรามีสติและลึกรู้ในอิบทย่อยเหล่านี้การยกมือเนี่ยการยกมือเคลื่อนไหวนี่นะเข้าออกนี่เป็นเสาที่สาคือรู้เข้ารู้ออกรู้ยกรู้วางรู้คูรู้เหยียดรู้เคลื่อนรู้ไหวนเนี่ เป็นเสาที่สามในเสาที่สี่เรียกว่าธาตุสี่นะในตัวเราเนะี่ยมีสี่ธาตุนะดินน้ําลมไฟดินอาการเป็นไงนั่งแล้วมันหนักมันหน่วงมันถ่วงมันทับมันปวดเมือม่อย น, น, น, น, นี่เป็นอ่ามันมาหนักมันหน่วงตั้งได้เป็นธาตุดินนะเราเคลื่อนเราไหวนี่เป็นธาตุลมเรารู้สึกเจ็บรู้สึกร้อนรู้สึกปวดหรือขันนี่เป็นธาตุไฟเผาเราอยู่นี่นะอันนี้ธาตุสี่ เราก็เอาใจไปคอยระลึกรู้ว่าอันนี้มันเป็นเพียงดินน้ำรูปไฟนะลักษณะนี้ก็เป็นเสาที่สี่ขึ้นมานะมีสี่แต่คอยระลึกรู้ว่าไ อ, ไอ้ลักษณะคนที่นั่งอยู่นี่นะ่ะมันไม่ใช่เรานะแต่มันเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำรูมไฟผสมกันเข้าแล้วออกมาเป็นรูปเนี่ยให้ระลึกรูอย่างนี้การที่จิตระลึกรู้อย่างนี้ลลนเข้าใจเห็นอาการ ของธาตุสีแสดงอาการเย็นร้อนอ่อนแข็งเค็งตึงนี่เป็นอาการของธาตุสีไม่ใช่อาการของเราแต่เรามันไม่รู้จักเนี่ยแล้วก็เป็นอาการของเราธาตุสี่ทำไมจึงร้อนจึงเย็นจึงปวดก็มันเป็นแสดงของธาตุไฟทาไมถึงหนักจึงหน่วงทึงตรงเป็นแสดงของธาตุดินทำไมจึงเคลื่อนจึงไหวได้เป็นอาการของธาตุลมสิ่งธาตุทั้งสามนี้ทำงานร่วมกันเป็นการผสมผสานของธาตุน้ำ ถ้าเราลึกอยู่อย่างนี้เราก็เห็นร่างกายของเราเป็นเพียงธาตุอันนี้ก็เป็นเสาหนึ่งเสาที่ห้าเสาที่สี่เสาที่ห้าก็คือในตัวของเรานี่ประกอบส่วนประกอบทั้งหมดหลักๆมีอยู่สาสองส่วนใช่ไหมผมผลเล็บฟันหนังไปนับไปเรืเ่อยๆตับไตไส้ปอดไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเกา่าเอ็นกระดูก เลือดเนื้องเงยในอะไรจนไปเรื่อยๆสามสิบสองส่วนประกอบคนเข้าสามสิบสองชิ้นอะไรของมนุษย์ดีนะเมื่อประกอบคนเข้าเราคอยเลือกว่าโอ้ร่างกายที่นั่งอย่างนี้ไม่ใช่ร่ากายของฉั น, นมันเป็นส่วนประกอบของอวัย ว, วะแต่ละส่วนถึงสามสิบสองส่วนประกอบเข้าด้วยกันเมื่อประกอบเข้าด้วยกันแล้วเป็นรูปเป็นร่างเป็นคนเป็นยิ่งเป็นชายขึ้นมาเรารู้เท่ารู้ทันแล้วก็เห็นว่าอ๋ออันนี้เป็นตัว หลักของการเป็นที่ตั้งของความรู้ไม่ใช่เป็นที่ตั้งของเราเป็นของเราดังนั้นเองในจุดนี้ก็ให้เข้าใจอย่างนี้เสาที่ห้าคือประกอบด้วยสาสิองส่วนที่เสาที่หของกายเสาสุดท้ายเรียกว่าเสาอสุภะในร่างกายของเรานี่มีแต่ของเสียพ่นออกมาขยายออกมาไหลออกมาตลอดเวลาใช่ไหมไหลออกมาทางตา ไหลออกมาทางหูไหลออกมาทางจมูกไหลออกมาทางปากไหลออกมาทางกายไหลออกมาทางจิตไหลออกมาตลอดเวลาเมื h, right? ่อเป็นอย่างนี้ถ้าว่าเป็นรถเขาเรียกว่าท่อไอเสียใช่ไหมปุ่นออกเราก็เรียกว่าสิ่งที่มันไหลออกมาทางกายเนี่ยมันเป็นของเสียที่ไหลออกมาเขาเรียกว่าอะไรอาชุพะคือของไม่สวยของไม่งามไหลเราต้องได้ชำระช้างได้ ตกได้แต่งได้กรบได้เกลือนได้พอกได้ทาอยู่ตลอดเวลาเพื่อกลบเกินในสิ่งที่ไม่สวยงามเหล่านี้เราก็เราไปสําคัญว่าเราเป็นเราสวยงามอีกแต่ความจริงก็เป็ น, ปนการกรบกลือนของเสียที่ไหลออกมาทางๆของจมูกลิ้นกายของเรานี่เองเราก็ไปตกแต่งวัตถุประดับใส่ผ้าใส่เสื้อเพื่อปกปิดสิ่งของอสุภเหล่านี้เสียทั้งหมดถ้าคอยระลึกอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นเสาหลักอันหนึ่งที่จิตพึ่งได้อันนี้เสาทางกายนะเบื้องต้น โยมที่มาถึงที่หลังเดี๋ยวพระอาจาร์ชีไปหาที่พักเ อ, เอาท่ากันนะดังนั้นในหลักทั้งหกเนี่ยเราเคยระลึกไหมว่ามันเป็นเสาหลักของชีวิตในฝ่ายกายจําได้ไหมเสาที่หึงคืออะไรลมหายใจเคยระลึกวันละกี่ครั้งถ้าระลึกวันละร้อยครั้งเราก็ฝังได้ร้อยร้อยเสามันคง บางคนหายใจทั้งมาทั้งทั้งวันเนี่ยถามว่าวันนี้หายใจกี่ครั้งเนี่ยเคยมีคนถามอย่มีไหมเราก็จะตอบทันทีถามบ้าๆเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งหายใจกี่ครั้งเอ้ามันยาวไปเหรอวันหนึ่งอ่ะไกลไปใช่ไหมงั้นเอาครึ่งวันก็แล้วกันหายใจได้กี่ครั้งก็ไม่ได้โอ้ครึ่งวันมันยาวไปเหะเอาชั่วโมงหนึ่งก็แล้วกันชั่วโมงหายใจกี่ครั้งก็ไม่รู้อีกยาวไปอ่ะ เอาครึ่งชั่วโมงก็แล้วกันก็ยังยาวไปหดเข้ามาหดเข้ามาเอาหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีพอรู้ไหมว่าหายใจกี่ครั้งก็ยังยาวไปอีกใช่ไหมแค่หนึ่งนาทีเพราะในหนึ่งนาทีมันแบ่งเป็นหกสิบวินาทีใช่ไหมดังนั้นคุณหายใจเข้านี่กี่วิหายใจออกกี่วิหดเข้ามาอีกเคยเคยพิจารณาไหมคุณโตโ ต, โตยังไม่เคยนั่นเห็นไหม เราห้ยใจตลอดชีวิตแต่มันไม่เคยเป็นหลักของชีวิตของเราเพราะเราไม่เคยสนใจมันไม่เคยเอาใจมาสนมันไว้อเพราะฉะนั้นต้องเอาใจไปสนมันเขาสนเข็มเนี่ยเข็มมันจะทํางานได้เมื่อสนได้เข้าไปใช่ไหมกรรมฐานมันจะเป็นกรรมฐานที่พึ่งของใจได้เมื่อสนอะไรเข้าไปสนใจเข้าไปเหมือนเราเอาได้สนเข็มอ่ะอเข็มกลับได้ เฉพาะได้ก็ทํางานไม่ได้เฉพาะเข็มก็ทำงาเมื่อจับมาสนกันก็ทํางานได้เอาไปเย็บอะไรจะได้ติดเมื่อเราสนใจไว้เอาอะไรมาสนเอารมหายใจมาสนเอาไว้หายใจเอามาเคยนับนะหายใจเข้าหายจออ่อหายใจเข้าออกนี่หายใจไหนา ย, ยาวกว่ากันระหว่างเข้ากับออกทดสอบดูดิระหว่างหายใจเข้ากับออกเนี่ยอันไหนยาวกว่ากันอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะเรื่องใหญ่มากนะขอให้สนเข้าไป สนใจเข้าไปหน่อยใครหายใจออกยาวยกมือขึ้นเอาลงใครหายใจเข้ายาวยกมือขึ้นเอ๊ะแสดงว่าเป็นประชามติแล้วนี่เนาะหายใจออกยาวก่ออาจจะเอามาว่าหายใจเข้าออกรู้เหมือนนิดเดียวนะแต่มันทิดด้งชนะ่วงยาวหน่อยใช่ไหมแต่เข้านี่นมันรู้สึกดี ไม่ว่าเข้าหรือออกยาวเอามาดูแล้วว่าเข้าสองประมาณสามวินาทีออกสองวินาทีมันออกไวอะออกเงี้ยหมดละสอง ว, วิรวมแล้วเข้าสามออกสองเป็นเท่าไหร่เป็นห้าวิพอจะหานาทีได้หรือยังนาทีได้หายใจได้กี่ครั้งสิบสองห้าเท่าไหร่ ห้าหกสิบแลหนึ่งนาทีหายใจได้กี่ครั้งโอ้เลขตกหมดเลยหมดแตใช้เครื่องนับเครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขอยู่ในมือถือหมดว่าเพราะงั้นหนึ่งนาทีแสดงว่ามาตรฐานหายใจได้สิบสองครั้งแต่จะเอาเป็นหนึ่งนะหนึ่งวิหายใจได้หกครั้งก็ได้นะหกสิบสองก็เจสิบสองครั้งอาจารน์หงก็ว่ากันไปตามนะั้นแต่โดยมาตรฐานเนี่ยมานับหลายรอบนะไม่ใช่รอบเดียวนะอ่า ส อ, อก 2, งกับสามเข้าเข้าสามออกสองบงงองก็เข้าสองออกสามอยู่เงี้ยแต่ถ้าหากว่าหายใจที่ดีที่สุดมาต้องให้ได้สิบห้าวีถึงสิบแดวิสิบสองวิหน่อยเขาก็โดยทั่วไปถ้าสิบวินี่ไม่เคยดีนะเพ่าว่าเราจะเหนื่อยไปดังนั้นหนึ่งนาทีหายใจได้สิบสองครั้งถ้าหนึ่งชั่วโมงหายได้ยังสิบสองหกเท่าไหร่เจ็ดสิบสองหมายก็หนึ่งชั่วโมงหายใจได้กี่ครั้ง เจ็รอยี่สิบครั้งหรือเจ็ดเจ็ดหรือว่าเจ็ดพันสองร้อยครั้งอ่ะอันนี้คือวิธีการแล้วก็คํานวณหาหนึ่งชั่วโมงได้ก็หาสองชั่วโมงได้ก็หาสามชั่วโมงได้หาสี่หาทั้งวันได้เลยทีนี้ก็รู้ไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ไปรู้อย่างนับแบบนี้นะให้รู้เข้ารู้ออกก็พอไม่ต้องไปนับแต่ที่นับให้เห็นว่าสมมุติว่ามันเท่านี้นะ <c oughs> อันนี้ก็สนใจเข้าไป แต่บางคนนู่กำหนดลมหายใจแล้วไม่ได้ดูเข้าดูออกดูว่ามันเข้าเป็นพุทธออกเป็นโทเข้ามันยุบออกพองเข้ามันพองออกมันยุบดูไปโน่นอีกบัญญัติเป็นสัญญาใหม่ขึ้นมาดังนั้นในตัวกายของเราที่จะเป็นที่พึ่งเป็นหลักในการสร้างเสาแห่งสติต้องเอาใจมาสนมาใส่ แต่ส่วนใหญ่แล้วใจมันอยู่ไหมในอาการทั้งหกเสาเนี่ยมันพันมุชักเสาไหมท่านนักปราชท่านเลยสร้างเรื่องขึ้นมาอย่างนี้ว่าสมมุติว่าคุณปล่อยลิงขึ้นต้นไม้ในกลุ่มต้นไม้มันมีหกต้นแล้วคุณจะจับลิงตัวนั้นโดยที่ไม่โดยที่จับเป็นเนี่ยคุณจะจับมันอย่างไรไหนก็ในกลุ่มนั้นจะเป็นต้นพะวังก็ได้ต้นหมากก็ดีมันมีหกต้น แล้วปล่อยลิงตัวนั้นขึ้นแล้วคุณจับลิงตัวนั้นมาให้ได้เนะี่ยจะมีวิธีจับอย่างไรอันนี้เรื่องของกายนะสมมติว่ากายมันมีหกหกหมวดใช่ไหมเรื่องของกายทัานบอกว่าจับลิงมาอปล่อยในต้นไม้หกต้นเนี้แล้วจับกลับคืนมาให้ได้จะมีวิธีจับยังไงช่วยกันคิดโตโ ต, ตเคยเห็นลิงบนต้นไม้ไมเคยหาวิธีจับบ้างไหม ไม่เคยนะฮะนั่นนะ่ะท่านบอกมันมีวิธีจับยังไงถ้ายิงมันก็ตายเอาฝากให้คิดเนี่ยนะฝากให้คิดเนะี่ยเดี๋ยวจะหาเดี๋ยวจะหาคำตอบพี่หลังทีนี้ในส่วนของกายมันมีหกหลักที่ใจถ้าใครใจเอาไปสนอยู่ในหกนี้คนนั้นก็จะมีที่พึ่งหนึ่งเสาละเสาทางกายมีที่พึ่งละอัลตมาในเสาที่สองเสาหลักใหญ่ เรียกว่าในกายของเราที่เรารู้ว่าเรามีกายเพราะมีตัวอะไรเป็นตัวบอกมีเวทนาใช่ไหมความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งถึงเจ็บปวดเมื่อยเรารู้ว่ามันมีกายก็มีกายเพราะมีเวทนาเป็นตัวบอกถ้าคนนั้นไม่มีเวทนาเลยเป็นคนสลบสลายคนหลับไม่ตื่นคนตายเนี่ยไม่มีเวทนาเราก็ไม่เรียกว่ากายเมื่อเวทนาไม่มีอยู่เราเรียกว่าอะไร แล้วเรียกคนป่วยบ้างเราเรียกคนตายบ้างเรียกว่าศพ e บ, บ้างไม่ได้เ ร, เ e รียกว่ากายเพราะไม่มีเวทานาเป็นตัวบ่งบอกเมื่อมีเวทนาตรง บ, บอกกายมันจึงเป็นกายได้เรารู้ว่ากายมีเพราะมีเวทานาเป็นตัวบอกเพราะฉะนั้นเสาที่สองคือเวทานาคือความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแ ข, นนขน็งเค่งตึงที่แสดงว่ามีกายมันก็จะมีอยู่สามหลักเอาใจไปสนเอาไว้สามหลักก็หลักที่หนึ่งเรียกว่าสุขเวทนาความรู้สึกสบายสอง ทุกขเวทนาความรู้สึกไม่สบายสามอทุกขมาสุขเปี่ความรู้สึกมันเบื่อเบื่อเบลอเลอสิงสงเหงาเหงาหมุนหมุนยังไงไม่รู้เนี่ยมันอยู่สามอันีเราเอาใจไปศึกษามันเอ๊ะทำไมรู้สึกอย่างเนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าสุขหรือว่าทุกขใส่ใจสนใจพิจารณาเข้าไปอันนี้เราก็จะได้ตัวเวทนาเป็นที่พึ่งเสาที่สอง แต่ถ้าหากว่เราไม่สนใจมันก็เวทนาก็เป็นที่พึ่งไม่ได้ไม่ได้เป็นเสาหลักของชีวิตแล้วเพราะเราไม่สนใจลงไปเราดึงใส่ใจสนใจตรงนี้ท่านใช้คําว่าตัวโยนิโสมณสิการผูกใจเข้าไปถึงที่เกิดที่มาของเวทนานั่ น, นา ส, าสามตัวนี่นะกายมีหกเวทนามีสามอวต่อไปจิตจิตของเรามีกี่เสามีกี่หลัง สาใหญ่ๆมีอยู่สามแต่ว่ารายละเอียดแล้วมีอยู่ถึงสิบหกอ่ะแปดคู่นะที่เราสวดจิตพอใจจิตไม่พอจิตมีความพอใจจิตไม่มีความพอใจจิตไม่พอใจจิตไม่มีความไม่พอใจอันนี้จะฟังงงๆหน่อยะจิตเพลินจิตไม่เพลินจิตหลงจิตไม่หลงอจิตใหญ่จิตไม่ใหญ่จิต มีอารมณ์จิตไม่มีอารมณ์จิตเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลนะจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นทั้งหมดเราจะมีสิบหกหลักแต่รวมแล้วเหลือสามคือกุศลแจิตอกุศลลจิตและอภิญากาต่จิตทั้งสิบหกยอดเหลือสามคือจิตที่ฉลาดจิตที่ไม่ฉลาดและจิตที่ยังบางครั้งฉลาดบางครั้งไม่ฉลาดนะ บางครั้งรู้ว่ามีบางครั้งว่ารู้จักตัวเองบางครั้งไม่รู้จักตัวเองบางครั้งเพลินไปเลยไม่มีทั้งรู้จักไม่รู้จัก <c oughs> นะอันนี้ก็เรียกว่าจิตมีสามหลักถ้าเราพิจารณาสึกเออตรงนี้เราไม่พอใจนะโอ้เขาไม่พอใจไปอย่างนี้เนาะนี่เขาเรียกว่าสนใจเข้าไปล <c oughs> ะเข้าไปในจิตเออตัวนี้เรารู้สึกพอใจนะเราชอบนะเราสบายนะอ๋อความชอบไปอย่างนี้ความสบายไปอย่างนี้ความรู้สึกรักไปอย่างนี้เข้าไปดูจิตตัวนั้นนี่เขาเรียกว่าสนจิต โนใจไปดูจิตก็จะได้จิตเป็นที่พึ่งได้จิตก็จะไม่ไปหนีไปเพราะเรามาใส่ใจดูหาเพราะฉะนั้นในส่วนที่จิตมีหลักใหญ่สามแต่ในหลักอริยธรรมบอกว่าจิตทอะไรจิตแปบเกเจตสิกห้าบจิตแปรวมเป็นจิตร้ออันนั้นเป็นเรื่องหลักอริธรรมแต่จิตหลักๆมีสามคือกุศลอกุศลและอรพยากตจิตนะทีนี้อันที่สี่ธรรมารมนะ อารมณ์ที่จิต ท, ที่มันเป็นอารมณ์เป็นธรรมอารมณ์อันนี้มีเยอะเลยนะธรรมอารมณ์ที่มาเดี๋ยวเรื่องนั้นมาเดี๋ยวเรื่องคิดเรื่องใดก็มีกับอารมณ์เรื่องนั้นแต่ในแง่ของหลักวิชาแล้วท่านแบ่งเอาไว้เป็ น, นถึงสามสิบเจ็ดประการนะอันนี้ยังไม่ต้องรู้ในรายละเอียดนะอันนี้คือให้รู้ว่าในร่างกายของเรานี่มีเสาหลักอยู่สี่เสาถ้าต้องการเสาหลักนี่เป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งของจิตเป็นบ้านของจิตเป็น ที่พักพิงของจิตต้องมาเอาใจมาใส่มาสนเหมือนกับเรายึดโยงเสาแต่ละต้นเข้าด้วยกันยึดโยงไม้คือแปรอะไรต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อที่จะมุงหลังคาเพื่อจะใส่หนะ้าต่างประตูเพื่อที่จะทำพื้น่ะต้องยึดโยงด้วยน็อตด้วยตะปูด้วยไม้อะไรก็แล้วแต่ชั้นใดก็ดีการที่ ตัวจะไปยึดโยงบ้านข้าหลังด้วยกันตัวยึดโยงนี้เราเรียกว่าอะไรเรียกว่าสติอ่ะสะติมีความสําคัญตรงนั้นเองสติเป็นตัวยึดโยงสติเป็นตัวประสานเราจึงมาเจริญสติอ่ะเพราะสะตินี้เป็นตัวยึดยยงตัวประสานให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเข้าเป็นบ้านเป็นหลังถ้าสร้างบ้านทั้งหลังถ้าไม่มีตัวยึดโยงไม่มีตะภูไม่มีลิ่มไม่มีอ่าเชือกไม่มีอะไรมาผูกมาลัดเข้ายึดโยงมาด้วยกันมันก็เป็นบ้านไม่ได้ ชันใดก็ดีชีวิตของเราเนี่ยถึงแม้เราจะรู้อะไรมากมายแต่ว่าเราไม่มีสติปัญญาที่จะยึดโยงความรู้เหล่านี้เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความรู้ที่เรามีอยู่ก็ไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งได้นะทีนี้ต่อมาเมื่อเรารู้ว่าตัวสติเป็นตัวยึดโยงกายอย่างไรฉันใช้ว่าสกายานุปัสนาสติปทานชื่อเขานะ มีตัวหลักอยู่ในใ น, นั้นพร้อมตัวยึดโยคของกายาคําหนึง่งกายคําหนึง่งอนุปัสนาคําหนึง่งสติปัฏฐานคำหนึง่งบวกกันกายอานุปัสนาสติปัฏฐานฐานเป็นที่ตั้งของความระลึกด้วยการตามดูกายทั้งภายในและภายนอกนี่คําแปลนะฐานอันเป็นที่ตั้งของความระลึกด้วยการตามรู้กายทั้งภายในและภายนอก กายภายในคืออะไรกายภายนอกคืออะไรกายภายนอกคือนี้เราดูออกใช่ไหมเรานั่งอย่างไรทำไมเราถึงเคลื่อนถึงไหวถึงดิน้นอ่าไปดิ้นมาเพราะอะไรเพราะกายภายในมันคอยมอนิเตอร์คอยขับเคลื่อนเราอยู่นะกายภายในเราเรียกว่าอะไรเรียกว่าเวทนากายที่เราเห็นเป็นท่าสี่อ่าเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอาการสามสิบสอเรียกว่ากายภายนอก ตัวกายภายในคืออาการของกายเรียกว่าเวทนานทีนี้ถ้าหากว่าเราจะเอาสติมาตามดูเนี่ยถ้าเรายังสตินี่มีสองอย่างใช่ไหมหนึ่งสติที่ไปพาใจไปข้างนอกสองสติที่พาจิตกลับเข้ามาข้างในคนส่วนใหญ่จะอยู่กับสติประเภทไห น, น คนส่วนใหญ่จะอยู่กับสติประเภทไหนสติที่พาใจออกแต่ที่เรามาฝึกนี่ต้องการมาฝึกสติที่พาใจกลับเข้ามาพาที่ใจพาใจสติที่พาใจกลับเข้ามาเรียกว่าสติปัฐานแต่สติที่พาจิตออกข้างนอกเรียกว่าสติที่เป็นสัญชตาตญาณอ่าสัญชตาตญาณเพราะฉะนั้นสัตว ตัทุกตนคนทุกระดับมีสติระดับภายนอกคือคิดแต่เรื่องออกไปจะไปไหนจะกินอะไรจะอยู่กับใครคิดแต่เรื่องข้างนอกที่เป็นวัตถุเรียกว่าสติระดับสัญชตาตญาณคนสัตว์มีเสมอกันแต่ที่เรามาฝึกวันนี้เพื่อมาฝึกกลับเข้ามาดูชัดๆว่าอนุปัสนากายานุปนัสนาสติปัฏฐานคือสติตามดูจิตทั้งภายในและภายนอกจิตมันคิดออกไปก็รู้จิตมัน กายมันนั่งอยู่ไงก็รู้อันนี้เราตามดูกายทั้งภายในภายในภายนอกนะตามดูกายภายนอกก็คืออย่างที่เราเห็นนี่แหละนั่งอย่างนี้เคลื่อนไหวอย่างนี้ยกมืออย่างนี้ไอการยกมือนี่ทําเพื่ออะไรทําเพื่อดึงจิตอทําเพื่อดึงจิตมันจะออกไปข้างนอกดึงมันกลับมาข้างในเดี๋ยวเผลอปักขนาดบางทียกอยู่มันก็ยังไปเลยใช่ไหมแสดงว่าเชื่อขาดนะมัดไม่อยู่ดึงไม่อยู่ทีนี้ คนใหม่มาเที่ยวนี้มีกี่คนขอความกรุณายกมือขึ้นที่ใหม่สิิงๆเลยที่ไม่เคยเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคนนะในเจ็ดคนนี้จะแบ่งกลุ่มมาต่างหากนะจะาพาฝึกเพราะว่าคนใหม่เนี่ยต้องรู้รายละเอียดอะไรค่อนข้างจะหลายอย่างที่จะต้องทำความเข้าใจนะ เห็นได้คนใหม่ที่มาก่อนสองคนอาจจะกลับพรุ่งนี้ก็ได้เข้ามาหลายวันนะอาจจะเหลือสักห้าคนก็ได้าคนที่เคยปฏิบัติมาประมาณสักสองสามเดือนเนี่ยมีไหมที่เพิ่งปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยมีไหมหนึ่งสองสามอ่ะสามสี่คนที่เคยปฏิบัติมาแล้วหลายเดือนแล้วยกมือขึ้น อ่ามีเยอะที่เคยปฏิบัติมาหลายปีแล้วเยอะมือขึ้นโอ้มีอยู่สองสามคนที่ไม่ยกหมายความว่าเคยไม่เคยปฏิบัติเรื่องปฏิบัติมาบ้างหรือย่างนี้วยเรียกว่าไม่อยากยกเนะนี่ยเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วก็จะแบ่งกลุ่มตามเนี่ยพรุ่งนี้นะหลังจากที่เราเสร็จจากทนะานข้าวเช้ากันแล้วก็จะมาดูว่ากลุ่มไหนเป็นล้วก็จะแยกกันปฏิบัติเที่ยวนี้ไม่ไม่แยกกันปฏิบัติ ในช่วงแรกนี้ผู้ที่เคยปฏิบัติมาก่อนนั้นก็จะให้เข้าเก็บอารมณ์ก่อนสามวันแล้วคนที่ใหม่ที่ฝึกอยู่ข้างนอกจะเข้าเก็บช่วงหลังอีกสามวันคนละสามวันก็พอนะเข้มเข้มแต่อยู่ข้างนอกนี่ก็ปฏิบัติเข้มไม่ไม่แพ้กับคนที่อยู่ข้างในนะคนที่อยู่ประจำกุฏินะที่คนเคยมีประสบการณ์ว่าบ้างแก้อารมณ์เป็นรู้จักรูปอะไรเป็นนามอะไรเป็น ร, รูปอะไรเป็นนามรู้จักนิวรนแก้นิวร น, น, วนเป็น จะให้เข้าเก็บก่อนแต่คนที่ยังไม่รู้อะไรเป็นดุบะรเป็นนามอะไรเป็นนิวร์อย่างไรนี่ก็จะให้อยู่ข้างนอกก่อนฝึกร่วมกันไปโดยมีพระคุณเจ้า เ, เป็นเพื่อ น, นทั้งวันก็ใช้ศาลาหลังนี้ น, น, นั้นพวกนี้ก็จ ะ, ะเราก็จะได้ทําการคัดแยกกันเพื่อที่จะได้ความรู้ตามลําดับเอาละเรามายงหลักเมื่อกี้ว่าเมื่อี้ถึงตอนที่ว่าเวทานาตาม มีสถิติประธานตามดูกายภายนอกและกายภายในกายภายนอกในส่วนที่จิตมันส่งไปข้างนอกกายภายในในส่วนที่จิตกลับมันส่งกลับเข้ามาข้างในแล้วก็รู้ว่ากายจิตที่มันส่งไปภายนอกและกายภายนอกเป็นอย่างไรกายภายในเป็นอย่าง น, นี้เราจะศึกษารายละเอียดในวันต่อไปทีนี้อันที่สองอันใช้ศัพ์ ที่เป็นหลักว่าเวทนานุปัสนาสีปฐานฐานเป็นที่ตั้งของความรึกโดยอาศัยการตามรู้เวทนาอันนี้ก็ละเอียดขึ้นนะตามรู้ว่าขณะนี้เราในตัวของเรารู้สึกเป็นยังไงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สบายหรือไม่สบายหรือเฉะยเฉยก็ให้ตามดูอาการนั้นถ้ามันมีทั้งสามอย่างการสบายก็มีไม่สบายก็มีเฉยเฉยก็มีเนี่ยตามรู้อย่างไรอันนี้เราก็จะ ลงในรายละเอียดในวันต่อไปทิฏฐามิจิตานุปัสนาสติปฐานฐานเป็นที่ตั้งของความรมรึกคือตามดูจิตจิตทั้งที่มันคิดออกไปและทั้งที่มันกลับเข้ามาตามดูจิตทั้งภายในและภายนอกอันนี้ก็มีรายละเอียดเยอะธรรมานุปัสนาสติปฐานฐานเป็นที่ตั้งของความมรรึการตามดูอารมณ์ของตัวเองวันนี้ เราหงดหงิดกี่ครัง้งวันนี้เราคิดกี่หนเรานี้เราลักกี่ครัง้งเราชังกี่ครัง้งเราชอบกี่ครัง้งเราหงุดหงิดกี่ครั้งเร า, อาพอใจกี่ครัง้งไม่พอใจกี่ครัง้งวันนี้เป็นอารมณ์หมดเลยเราก็จะตามดูมันนี้เรียกว่าการใช้สติตามดูเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นตาในถ้ามันไม่ใช่ตาในมันตามดูไม่ได้นะเป็นเติร์ดอายนะสตินี้เป็นตาในเจ้าจึงมาที่นี่จึงมาสร้างตาในสร้างปัญญาจากสุ มีหลายชื่อนะตาในเจ้าชื่อว่าปัญญาจากสุพุทธาจากสุธรรมจากสุอ่าแล้วก็สมันตะจากสุแต่ในส่วนตานอกมีชื่อเดียวว่าคือมังสาจากสุเท่านั้นเองมีชื่อเดียวคือตาเนื้อตาเนื้อเนื้อเนี่ยแต่ว่าตาเนื้ อ, าา น, อนี่มันจะอาศัยรู้เรื่องได้ก็อาศัยทั้งไอเดฟินิชชั่นความหมายของคําว่าตาในเนี่ยทั้งห้าคำแต่ว่าพุทธเจ้าท่านใช้คําว่าธรรมจากสุธรรมจาก จะุูุทัพปฏิญาณุทัพปฏิปัญญาุทัพปฏิวิชาอุทัปฏิอารโูอุทัพปฏิตาธรรมจักษุเกิดขึ้นขึ้คำว่าธรรมจักูุในที่น้ท่านหมายถึงอะไรปัญญาญาณวิชาแสงสว่างรวมคำว่าตาในสี่คำนี้นะญาณปัญญาวิชาแสงสว่างรวมเรียกว่าธรรมจักูุ ถ้าคนไหนยังไม่มียานไม่มีปัญญาไม่มีวิชาไม่มีแสงสว่างคนนั้นก็มีแต่มังสาจากสุไม่มีธรรมมาจากสุนะดังนั้นเรามาฝึกเนี่ยเให้เกิดคุณลักษณะของตาตามรูสี่คำนี้ยานโอ้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสูงเลื่อเงินเนาะปัญญาอันนี้ก็ทีละอย่างไปอันนี้ก็จะลงลึกในรายละเอียดในวันต่อไปนะธรรมานุปัสสนา ดังนั้นในสี่เสาหลักเนี่ยทางกายเวทนาจิตธรรมนี้เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนเอาไว้ได้ตรัสเอาไว้ไม่ใช่เราจะนํามาพูดกันอย่างที่คิดได้ไม่ใช่แต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ในสติปัฏฐานสูตรและในสติปัฏฐานนี้ก็จึงเป็นหลักที่เราใช้กันมาทุกทุกสํานักไม่ว่าสํานักไหนก็ตามที่สอนในเรื่องกรรมฐานต้องพูดถึงเรื่องนี้ แต่ว่าสติปัฏฐาน4ี่ของแต่ละสำนักจะเหมือนกันหรือต่างกันอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาบางคนก็ประสบการณ์มาอีกแบบหนึ่งสติปัฏฐานของท่านก็ว่าอีกแบบหนึ่งแต่ว่าในที่นี้ในหลักการที่นํามาฝึกที่เราจะใช้สติปัฏฐาน4ี่แบบเคลื่อนไหวแบบหึ่งพ่อเทียนเราใช้คำว่าด y นามิกนะดินามิกมดิเทชั่นกรมรมฐานที่เป็นพ ล, ลวัตแบบเคลื่อนไหวนะก็อาศัยการเคลื่อนไหวทาง กายเบื้องต้นเนี่ยเราจึงเคลื่อนไหวมือจะไม่อาศัยนั่งนิ่งๆหลักการนั่งนิ่งๆอันนี้จะไม่ใช่หลักการที่เราจะฝึกที่นี่ น, นั้นสำนักอื่นเขาสอนกันโดยทั่วไปแต่ในวิธีการนี้จะสอนให้ดูการเคลือกายเคลื่อนไหวและดูใจนึกคิดในคําว่าดูนี่มีสองดูก็ดูกายใช้ทั้งตาหนอกและตาในดูใจนี่ใช้ตาในอย่างเดียวแต่ว่าคําว่าดูเนี่ยใช้คําว่าอนุ ป, ปัสนาคือตามรู้ ตามเห็นตามเข้าใจตามเฝ้าดูตามสังเกตคาว่าอนุปัสสนามีความหมายยางั้นะตามดูตามดูตามเห็นตามสังเกตตามเข้าใจนี่เขาจะเป็นความหมายว่าอนุบัตสนานะตามดูมันเพราะฉะนั้นเบื้องต้นให้ตามดูของหยาบๆยกมือเนี่ยทุกคนยกมือเปได้ย่างคนใหม่ที่มาใหม่นี้ยกมือเปได้ยางเห็นเขายกมือไปดรู้ยกเป็นไหมยกแล้วยกไปแล้วนะอ่ะ ลองทำพร้อมกันอีกทีวางบนเขานะสำหรับคนใหม่ตั้งมือขวาตะแคงขึ้นบนเข่าขวายกมือขวาขึ้นข้างลำตัวเอามือขวามาหน้าท้องริกมือซ้ายบนเข่าซ้ายยกมือซ้ายขึ้นข้างลำตัวเอามือซ้ายมาประกบมือขวา เลื่อนมือขวาขึ้นหน้าอกมือขวาออกข้างลำตัวรู้สึกวางลงข่วมลงเลื่อนมือซ้ายขึ้นหน้ารู้สึกมือซ้ายออกข้างลำตัวรู้สึกวางลงรู้สึกข่วมลงใจตามไปไหมตามรู้ไหมถ้าใจตามรู้ต้องรู้ว่ามันมีกี่ครั้ง อ, อีกครั้งสิบสี่สิบห้าเดี๋ยวนี้ว่าสนนยเขาบอกให้นับสิบห้านะี่ไม่ให้นับสิบสี่เนียอาจารย์อทองนี่ตามาว่าถ้าเขาไหนสิบสี่ไ<ป>ออดูนะคือถ้านับตั้งแต่ท่าถ้าเตรียมเนี่ยหนึ่งใช่ไหมเมื่อขาดท่าเตรียมไปสองอยผิกสามสี่ห้า เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านะขมวดสิบห้าชุดจำได้ไหมในสิบห้าชุดเนี่ยมีหยุดกี่ครั้งมีเคลื่อนกี่ครั้งอ่า เรานับสิบห้าแต่ว่ามันไม่รู้ว่าหยุดหรือเคลื่อนนี่ก็ไม่แสดงว่าสนเมื่อกาได้สนไม่ลึกพอเอาใหม่อันนี้หยุดใช่ไหมเคลื่อนหยุดแล้วเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดให้รู้หยุดรู้เคลื่อนด้วยนะไม่ใช่รู้เฉยๆนะเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุด เคลื่อนหยุดเท่าไหร่ทั้งสองข้างข้างละสิบห้าเป็นเท่าไหร่เพราะหยุดสิบห้าเคลื่อนสิบห้าเป็นสามสิบสามสิบรู้อะเราได้ตัวรู้ถึงสามสิบครั้งแต่และาเราใช้ลมหายใจแล้วได้กี่ครั้งเข้า หนึ่งครั้งออกหนึ่งครั้งใช่ไหมแต่รู้หลายครั้งหลายข่าวก็เป็นเยอะอันนี้ก็รู้ครั้งเดียวชุดเดียวนะรู้สิบห้าจุดเลยนะนั่นหมายความว่าถ้าคนไหนทําไปด้วยใจลอยไปด้วยเนี่ยทั้งหยุดทั้งเคลื่อนไม่รู้เลยอาจจะไม่ได้สักครั้งเลยไหนสามสิบครั้งแต่ถ้าคนไหนตั้งใจดีได้ถึงสามสิบบางคนก็ได้ยี่บปดบางคนได้ยี่ห้าบางคนได้ยี่สิบบางคนได้สิบนี้ก็แล้วแต่นี่คือจะบอกคุณภาพของการเคลื่อนคนไหนที่มี ความตั้งใจสูงมีคุณภาพสูงก็ได้เต็มร้อยคือสาสิบครั้งต่อชุดสร้างจังหวะชุดหนึ่งได้ถึงสา3สิบสาสิรู้เพราะฉะนั้นหลวงพ่เทียนท่านจึงกล้าประกันว่าใครก็ตามมีสติกำลังรู้การเคลื่อนไหวนี้เป็นลูกโซ่ต่อเนื่องกันตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันทุกจะลดน้อยถอยลงรือหมดไปแต่ถ้าคนมีปัญญาน้อยๆอย ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามเดือนถึงหนึ่งปีทุกจะลดลงหรือหมดไปคนไหนมีปัญญาน้อยลงไปอีกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปีทุกจะลดลงหรือหมดไปแน่นอนเอาคอเป็นประกันเลยนะทา่านว่าท้เลยว่าเงื่อนไขปฏิบัติหนึ่งเดือนมีเงินเดือนหนึ่งมื่นปฏิบัติสามเดือนให้สามหมืน่นท่านว่าใครมีเงินหนึ่งแสปฏิบัติสามเดือนให้สามแสนถ้าไม่รู้นะแต่ถ้ารู้แล้วท่านบอกว่า ตรองมาช่วยกันปฏิบัติมันรู้ไม่ใช่รู้เฉยเลยคว่ารู้ของรเราก็เรียนหมายถึงว่ามันดับทุกได้ด้วยทุกมันหมดไปหรือมันไม่หมดแต่รู้จากวิธีดับได้ด้วยนี่เพราะท่านมั่นใจว่าไอ้ตัวความรู้สึกที่เป็นความผีตรงนี้มีถึงสาสิบครั้งต่อชุดแต่ความผีของหลวงพ่หายใจเข้าและออกมีแค่สองครั้งมันมากกว่ากันถึงสิบห้าเท่าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าประกันไว้หนึ่งปีถึงเจ็ดปี ถ้าใช้ลมหายใจความทุกข์จะหมดแต่ต้องรู้อย่างต่อเนื่องนะเอฉันมานั่งสร้างจะไหวนี้ทั้งวันทั้งคืนฉันก็ไม่ต้องทํามหาครีในอะไรเนี่ยจะไหวเลยไม่ใช่รู้แบบนั้นนะมารู้นตอนมา น, นั่งยกมือไม่ใช่แต่คุณจะลุกไปื่มน้ําตํานําพริกซักผ้ากวาดบ้านทูเรือนหยิบหยับจั บ, ช, บช่วยขายของเก็บผักหับฟืนได้ทั้งนั้นแต่ขอให้รู้ลงไปเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดรู้อย่างนี้ตลอดเนี่ย <c oughs> ใจมันจะเผลอไปคิดไปนานไหม มันเผลอคิดได้ไมานานเพราะอะไรเพราะเราจับมาอยู่ในปัจจุบันแต่ใจที่มันจะคิดไปได้อาศัยหลักอยู่สองหลักหนึ่งอะไรพอใจได้ไม่พอใจอีกหลักหนึ่ ง, จ, จ, ง, งจิตนั้นต้องเป็นคิดไปอดีตอนาคตเท่านั้นที่จะเป็นความคิดได้ถ้าจิตกำลังอยู่ ป, ปัจจุบันปับ๊บนมันมสร้างความคิดได้ไหมไม่ได้พอปัจจุบันปับ๊บสร้างความคิดไม่ได้มันมันนิ่งเลย เพราะนั้นการยกมื อ, อเพื่อให้จิตอยู่กับปัจจุบันนั่นเองเมื่อจิตอยู่ป world, ัจจุบันบ่เข้าบ่นเข้าจิตมันก็นิ่งเป็นใช่ไหมเมื่อจิตมันนิ่งเป็นมันก็ต้องเคลื่อนเป็นแต่ทุกวันนี้จิตเคลื่อนเราก็ไม่รู้จิตนิ่งก็ไม่รู้ไม่รู้เคลื่อนก็ไม่รู้นิ่งก็ไม่รู้หยุดก็ไม่รู้คิดก็ไม่รู้แล้วจัดการกับจิตได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงรู้หยุดนี่รู้เคลื่อนคือรู้หยุดรู้คิดก็รู้หยุดคิด จิตคิดก็รู้จิตเคลื่อนไปคิดจิตคิดก็รู้จิตไม่คิดคือจิตอยู่คิดก็รู้นี่คือเป็นเป็นคอนเซปต์เป็นปรัชญาของการปฏิบัติแบบนี้เมื่อนั้นเวลานั่งปฏิบัติอย่าไปสร้างยกมือสร้างจังหวะแล้วใจลอยไปทั่วอันนั้นไม่ถูกนะเหนื่อยเปล่าเสียเวลายกไปหรือนั่งคิดถึงตาล้อยยกมือก็ยกไปตาก็ลอยชี้ไปใจลอยไปอันนี้ก็เสียเวลายกไม่ได้ผล เพราะอะไรเพราะไม่มีน้ำหนักไม่มีเปอร์เซ็นต์ไม่มีคุณภาพอยู่ในนั้นนะอันนี้คือหลัก <c oughs> สติปัญฐาสี่แบบเคลื่อนไหวต้องให้รู้แบบนี้นะทีนี้อันต่อมารู้อย่างไรที่จะให้มันรู้แบบเท่าที่มีอยู่ขณะนี้ถามจริงๆขณะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ความรู้สึกในเนื้อในตัวของเราเนี่ยมันมีกี่อย่ง พอจะตอบได้ไหมเล่นขนะดนี้นนสำรวจจริงๆที่มันเหลืออยู่ในกายในใจนี้มันมีเกี่ยงความรู้สึกสบายหรือไม่สบายเฉยๆรู้เฉยๆโดยที่ไม่รู้มันทุกสุขทุก็ไม่ได้แยกนะ ให้รู้เฉยๆให้รู้ซื่อๆรู้เฉยๆตัวนี้เป็นตัวหนึ่งให้รู้เอ๊รู้อย่างนี้มันไม่คิดไม่เป็นหรือมันรู้อะไรไม่เป็นมันจะทําให้เราโง่ลงไปทุกวันได้แบบนั้นนะคิดแบบไม่ไม่ต้องคิดใดๆเลยเป็นไปได้ไหมไม่โง้อนะมันรู้แบบซื่อเบื่อไม่ยอมรู้อะไรเลยมันก็ไม่รู้เอาอะไรมาคิดอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าต้องรู้ด้วยว่าจิตขณะนี้มันรู้เฉยๆคือมันหยุด ใช่ไหมให้รู้ว่าจิตหยุดที่มันคิดมันเป็นอย่างนี้นะก็ให้รู้ลงไปด้วยแต่ทั้งที่มันหยุดคิดจิตนิ่งก็ไม่รู้เพราะไปอยู่กับความนิ่งไปอยู่กับความสงบไปเลยอันนี้ถือว่าไม่รู้นะเพราะเข้าไปอยู่กับมันแต่ในกรณีที่รู้คือรู้ว่ามันไม่คิดก็รู้อ๋ออัวะที่จะไม่คิดมันเป็นอย่างนี้เนาะบางคนไม่คิดจริงๆนะแต่ว่ารู้สึกมันสงบอะแต่ไปอยู่กับความสงบอนนั้นอันนี้รู้ไหม ไม่รู้เพราะไปอยู่กับมันแล้วไม่รู้แต่ถ้าหากจะรู้ก็ไม่ต้องไปอยู่กับมันแต่เห็นมันอันนี้คือความหมายว่าให้เป็นผู้รู้ผู้เห็นเฉยๆว่ามันคิดก็ให้รู้มันไม่คิดก็ให้รู้สมมติเรานั่งปวดขานยนั่งนาน อ, อุ้ไปชั่วโมงแล้วปวดขาถ้าเราไม่รู้ปวดขาความปวดขานี่ก็จะไปบีบคั้นจิตทําให้จิตได้เกิดความงุนงิดลําคาญเกิดความเบือ่อเกิดความเซ็งเกิดความง่วงเหงา ตาปลือหลับนี่ไม่รู้ละจิตนิ่งก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะนั้นคนใหม่เบื้องต้นท่านจะกระตุ้นให้จิตรู้บ่อยๆในคนใหม่ที่ยกมือไม่กี้สร้างจังหวะเป็นด้วออ่ะสร้างจังหวะอีกครั้งหนึ่งเอาพร้อมกันให้ดีนะหนึ่งสองสามให้รู้หยุดชัดๆ ลูเคลื่อนให้สบายๆโอเคจำได้ทุกคนนะขึ้นเกาทั้งหมายอันนี้สาธิตการยกมือสร้างจังหวะพร้อมกับทำความเข้าใจในวิธีการอันนี้สำหรับการเคลื่อนไหวด้วยการเดินจงกรมเราจะสาธิตพรุ่งนี้นะสาธิตพรุ่งนี้เพื่อที่จะให้เข้าใจทั้งหมดเนื่องจากเวลาเรามีน้อยต้องรีบทำความเข้าใจตรงนี้ให้ชัดเวลาไปนั่งทำแล้วจะมานั่งคิดว่าไอ้ทาไปทาไมเพื่ออะไร ทำไปโหนไปเบื่อไปเซ็งไปอันนี้มันก็จะทําให้เราไม่ได้ผลนะแต่สําหรับผู้ใหม่ก็เป็นธรรมดาผู้ใหม่ยังวางจิตไม่เป็นมันจะรู้สึกเบื่อนายขี้เกียจท้อถอยไม่เห็นมันได้อะไรก็จะคิดอย่างนี้ขึ้นมาก็จะทําให้ต้องต่อสู้กับตัวเองมากหน่อยนึงนะพอเรามาเรียนรู้ในสิ่งที่มีอยู่นะเราทําต่อสิ่งที่มีอยู่คือทําความรู้สึกกายก็มีอยู่ความรู้สึกใจก็มีอยู่ แล้วเรามารู้ว่ากายที่รู้สึกเป็นอย่างไรให้รู้นะสบายหรือไม่สบายสุขหรือทุกข์ให้รู้มันก็รู้ไม่มีใครที่ไม่รู้แต่ว่ารู้แบบไหนอ่ะรู้ว่ามันเป็นเราหรือเราว่ารู้เฉยๆถ้าว่ารู้ว่ามันเป็นเรา เ, ออเราสุขเราทุกข์เราสบายไม่สบายเราเบื่อเราเซ็งเราชอบไม่ชอบอันนี้อันนี้ไม่รู้นะอันนี้เข้าไปเป็นเท่านั้นเข้าไปเป็นนั่งไปก็ทุกข์ไปเบื่อไปเซ็งไป ยิ่งนั่งยิ่งนานก็ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งเบือ่อเพราะอะเพราะเราเข้าไปเป็นความสบายไม่สบายไมนเสียแต่วิธีปฏิบัตินี้เพื่อให้เห็นว่าอ๋อความสบายมันเป็นอย่างนี้ความไม่สบายมันเป็นอย่างนี้ความเบื่อเป็นอย่างนี้ความเซงเงม็งเป็นอย่างนี้ความคิดเป็นอย่างนี้ความไม่คิดให้รู้ชัดๆการรู้ภาวะที่ชัดลงไปเนี้ยมันก็จะทําให้เราปรับว่าไหนที่เรารู้สึกเบือ่อเราก็ปรับเอาความเบือ่อออกไปอันไหนรู้สึกปวดก็ปรับเอาความปวดออกไปไม่ใช่รู้เฉยๆนะ ถ้าหากว่ารู้ว่าทนได้ก็ให้รู้เอาทนได้ทนไม่ได้ก็ปรับเปลี่ยนออกไปไม่ต้องไปนั่งทรมานหรือบีบคั้นอะไรกับมันให้ทนไม่ได้ปเปล่าออกไปแล้วแก้ไขอยู่เสมอจนกระทั่งการปฏิบัติมันต่อเนื่องรู้แก้ไขรู้ปรับรู้เปลี่ยนรู้แกรู้ไขรู้ปรับรู้เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยจนเกิดความชำนิชำนาญในการแก้ไขทุกตัวนี้เป็นตัวสาคัญที่จะสร้างธรรมญาญปัญญา อย่างปัยาก็จะขึ้นตามเราเพราะการแก้ไขบ่อยๆปัญหามีไว้ให้แก้นะไม่ใช่ว่ามีไว้ให้ทุกข์กับปัญหาแล้วก็ในตัวของเราเนี่ยมันมีปัญหาโดยธรรมชาติทั้งมันการนั่งนานปวดก็เป็นปัญหาแล้วการนั่งนานเบื่อก็เป็นปัญหาแล้วการนั่งนานคิดมากฟุ้งซ่านก็เป็นปัญหาแล้วปัญหาตัวนี้ไม่ให้เราเป็นไม่ให้เป็นปัญหาแต่ให้เราแก้ปัญหาการแก้ปัญหาได้แต่ละครั้งมันหมายถึงการ สร้างปัญญาขึ้นแต่ละครั้งไปปัญญาทัวนี้กสะสมที่นิดๆปัญญาสังสมทีขึ้นอีขึ้นมันกลายเป็นยานและยานตัวนี้มันก็จะรู้เข้ามันโดยอัตโนมัติรู้ความเป็นอัตโนมัติของรู้การแก้โดยอัตโนมัติน่ะดังนั้นการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแบบนี้จึงเป็นการใช้ตัวยานตัวปัญญาเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆโดยอาศัยการเจริญสติแบบต่อเนื่อง ขยันพลิกขยันเปลี่ยนขยันสังเกตพอเสร็จจากการปฏิบัติก็ไม่ใช่ว่าจะเลิกเลยนะก็สังเกตต่อไปลูกอย่างไรเดินยังไงย่างยังไงก้าวขายังไงเหยียบยังไงยกยังไงอย่างสังเกตสบายๆไม่ต้องเพ่งไม่ต้องอยากรู้ไม่ต้องอยากได้สังเกตเฉยๆสังเกตเพื่อให้ใจมาสนน่ะก็เรียว่าสนใจใจมาสนใจมาใส่ที่ภาษาสานใช้ว่าจิตใสใจตาม ถ้าจิตไม่ใส่ใจไม่ตามการปฏิบัติแบบนี้ก็ไม่ได้ผลเหมือนกันอาจิตใส่ใจตามใจตามด้วยจิตใส่ใสนะเอาจิตใส่ใจตามมันเองนั้นในช่วงเย็นวันนี้จึงทําความเข้าใจหลักการสติปัฏฐานแบบนี้นะใครมีอะไรสงสัยไหมอันนี้คือสาธิตในการสร้างจังหวะแบบเคลื่อนไหวแบบนั่งพวกนี้ถึงจะพูดถึงว่านั่งโดยเปลี่ยนโยบุดแบบไหนเดินแบบไหน แล้วนั่งนานๆมันมีปัญหาจะแก้กันแบบไหนสามารถนั่งได้วันมันห้าชั่วโมงสิบชั่วโมงโดยที่ไม่ทุกเลยจะทําแบบไหนเพราะเราจะต้องทนทานต่อสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทุกวันนี้เราต้องดิ้นรนไปเรื่อยไปเพราะว่าเราหนีทุกหลบหทุกหลบ ก, ก, ล, กลืนทุกแต่เราไม่หาวิธีแก้ทุกเราก็อยู่แบบทุกขทรมานดิ้นรนไปหาสิ่งตอบสนองลิ่งนี้ทุกก็ยิ่งไปสแสวงหาสิ่งที่มัน ไม่ทุกเนี่ยโดยผิดทางนีทุกขไปสแสวงหาสารพัดอย่างที่เราอยากจะได้ได้มาแล้วถามว่าทุกมันหายไหมได้เงินมาร้อยล้านพันล้านทุกมันหายไปไหมก็ <building. S 1> ไม่หายเพราะมันไม่ใช่เอาเงินมาดับทุกหรือได้ทองมาร้อยแท่งพันแท่งหายป่ะถามว่าทุกกายทุกใจมันหายไปไหมไม่หายมันเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราแก้ถูกแล้วเนี่ยเมื่อทุกตรงนี้มันหมดไม่ได้อะไรไม่มีอะไรก็สบาย เราได้ความสุขมาโดยที่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเสี่ยงหาแต่มาศึกษาตัวเองมาทําความเข้าใจตัวเองบ่อยๆมันก็จะง่ายนะหาความสุขแบบฟรีๆอ่ะแต่ต้องมีวิธีหาอันนั้นคือความรู้ของพระพุทธเจ้าที่แต่ศรู้มาแล้วเราเอามาทําตามเมื่อทําตามทําให้เป็นเมื่อทําเป็นแล้วเราก็พ้นทุกแบบเดียวกระท่านแล้วก็หมดทุกแบบเดียวกระท่านส่วนใจช้าหรือไวขึ้นอยู่ความเข้าใจถูกต้อง ไม่ได้ขึ้นแต่ว่าทำมากทำน้อยเมื่อเข้าใจถูกต้องแล้ว ร, รู้เองว่าจะทำมากแค่ไหนจะทำน้อยแค่ไหนเรารู้เองแต่ถ้าไม่เข้าใจให้ถูกต้องแล้วจะทำมากก็ผิดจะทำน้อยก็ผิดเพราะมันเข้าใจไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นในมรรคมีองแปดท่านจึงเริ่มสัมมาทิฏฐิเป็นอันดับแรกเข้าใจให้ถูกเมื่อเข้าใจถูกแล้วเนี่ยทำมากก็ได้ทำน้อยก็ได้มันก็จะเกิดประโยชน์นะตกลงไม่มีอะไรสงสัยถามนะมีไหม ในเรื่องของสศรษิีประทานแบบเคลื่อนไหวแบบยกมือเนี่ยวันนี้เดินทางกันไกลก็เหนื่อยเนาะหลวงพ่อก็เหนื่อยมาทํา ง, งานกับทั้งเดินทางทั้งวันเหมือนกันนะก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจที่พวกเราทั้งหลายจะได้ศึกษาได้เรียนรู้ของจริงอันเป็นคําสอนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เราจะได้ นำมาไปเป็นเครื่องมือในการบำบัดทุกบนเท่าทุกบำลุงร่างกายนี้ให้ร่างกายและจิตใจได้ให้มีความสุขมีความสงบที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานด้วยการทุกคนทุกท่านทื่น